เราจะมีกิจกรรมวันนี้ภาคเช้าอย่าเพิ่งบดลมหายใจก่อนนะหายใจเข้าไว้ของมีค่าของมีค่าทีุ่ดก็ดสามอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเลยมีค่ามาก หนึ่งทำอารมณ์ใพัดไปพัดมาหนาึะสองหายสามใจนี่ของมีค่ะพระพุทธเจ้าก็ใช้อันนี้ก่อนที่ตัดสูก็ใช้อันนี้พูดถึงจัดสูแล้วก็ปากประชารมต่อเนื่องเดือนหน้าเป็นเดือนที่สำคัญเือนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของพวกเรา ทำวันนี้เดือนหน้าก็คงไม่มีวันนี้คือพวกเราคือจจรประสบแต่ซื้อเราเรืางก่อนเข้าภาษาสามเดือนเดือนหน้าก็ไปดนสิชาครับจริงๆมก็คือเดือนหกถ้าเป็นภาษาเราเดือนหกแต่บ้านเราเดือนหกคนกนึงถึ ง, ง, งตกกลาละประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเดือนหน้าจกจะถ้าใครวาง มาดูลงหายใจนี่แหมาดูพรพุทิเจ้าผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพาะต่อราสนาพระพุเจ้าฝากไว้กับพวกเราฝาไว้กับพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาก็คือพวกเราที่จะขับเคลื่อนศาสนาไปข้างหน้าเพราะไม่งันเราก็อยู่กันอย่างนี้ คืออยู่อย่างนี้ก็แปลว่าเราจะเห็นว่าแต่ละที่ทแต่ละแหงเราก็อยู่กับด้วยสัญญาดู ค, ความจำได้ไหมรู้เราไม่เคยอยู่ด้วยปัญญาแต่ พ, พระเจ้าส่งคบพบสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาไม่ใช่สัญญาสัญญาเยองมากเรื่อง ก็เมือเราอ่านหนังสือเยอะยิ่งรู้เยอะแต่ก็บ่ได้ช่วยอะไรกลายเครื่องมัดเครื่องโพลเครื่องพันธนาการตัวเองไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดไปสิ่งเหล่านั้นไปได้เดือนหน้าเจอเป็นเดือนที่มีความสําสคัญคือเป็นปฐมเหตุจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้พวกเรา อย่างยิ่งก็คือว่าเราก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งมันก็อยู่หงว่างอยู่เฉยๆก็ไม่กี่วันเองปีหนึ่งสามร้อยกว่าวันก็ให้เวลากับตัวเองสักสองสามวันก็จะได้ทำกิจกรรมรวมกันท่องภาคปรยิยต์แล้วก็าำ ป, ปฏิบัติ มันพัฒนาของเราจู่ได้มาสองพันกว่าปีมาแล้วตาทางที่เรามีของดีมาสองพันกว่าปีมานี้แต่ในขณะเดีกันคือไม่กี่ปีไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมองโลกวุ่นวายเราจะเห็นเราสงครามโลกสองครั้งแล้วครั้งแรกใช้เวลาสีห้าปีโคตจะสงบได้ ครั้งที่สองหนักกว่าเก่าใช้เวลาหกเจ็ดปีคนพวงเขาสร้างครางโกกงรกไป็อย่างไรสงครามโรคเกิดจากอะไรเกิดจากผลประโยชน์ไม่ลงตัวครั้งแรกยังไม่เท่าไหรไม่เท่าไรก็แปลว่าเรื่องาอาวุธยุทโธปรกรณ์ยังไม่ทันสมัยก็ใช้กำลังเป็นหลัก จริงๆแล้วคนไม่ควรจะใช้กำลังคนที่ใช้กำลังเขาไม่ใช่คนคขามริกประเภทนั้นว่าคนเขาเรียกประเภทนั้นว่สิงสาราสัตว์ว่าเขามีเรื่องอะไรเขาเอากาลังเป็นหลักใครมีกำลังเยอะกว่าคนาั้นผู้ชนะอาวุธอุปกรณ์ก็ไม่มีมีการผลิตเอาของที่มีอยู่มีเท่าไหร่ก็ใส่กางเกไป เล็บมือฟันกำลังแต่มนุษย์มันไม่ควรจะมีมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันมเป็นผู้มีปัญญาแต่ว่าเราใช้วิธีนี้สองครั้งแล้วถ้าเราลบี้เฉพาะที่เราจำได้ในยุค ข, ของพวกเราเพราะหยุคก่อนน้นนั้นมันเกิดสงครามมาตลอดแม้แต่บ้านเรา หวยเป็นประเทศไทยลราลืมไปแล้วสงครามอย่างชุมชนแถวนี้เรื่อชุมชนไทยลือ้อเดี๋ยวเขาเรียกตัวเองว่าไทยลือล้อลื้อเพราะสงครามมันเลยอพยพลงมาเรื่อยๆนี่เรืยอความหดหันงานเบื้องต้น สิ่งที่เกี่ยุติสองขานได้มีห้าข้อครับนี้ก็คือสิ่ห้านี่เกี่ยน้าเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวบอกเป็นตัวตตตยุติทุกอย่างการอุบัติกอบปูยเจ้าในครั้งนี้ครั้งนี้หมายป็นพุทธันดร น, นี่จะเหลยอใผู้เชือ่อทั้งหม่โดยประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ว่าเราไม่เคยนําเอาสิ่งเหล่านั้น ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงมันเป็นไดมาลกรรมสงครามวคฟังที่สองของาก็จะคนคนเดียวไม่ได้เดยอะเลยก็ทลายลางถ้าไม่งั้นก็ยุติดสงครามไม่ได้ก็จะคนคนเดียวถือว่าเป็นอัจฉริยะบคุคคลถือว่าฉลาดอยู่ในกุมแนวหน้าของโลกนั่นก็คือเอาบอไอซตาย ญี่ปุ่นโดนทิ้งระบิดระบดหรอใครปคนคิดใครเป็นค น, คค น, คนทําก็เกิดจากคนอัจฉริยะคนที่มีปัญญาคิดว่ามีปัญญาแต่ปัญญาของกันทําลายล้างจะเรียกว่าปัญญาไหยสร้างมาเพื่อทําลายล้างขบุคคลโธปกรณ์ทั้งหลายเลยนี่คืซึ่งต่างๆกับพระพุทธเจ้าพระปัญญาของพุทธเจ้าที่เราพลนานงกัน ือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรังเผยให้เข้าใจตรงกันมาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันมีความหมายอามินะายะอยากให้พวกเราเอายกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือใจสังคของวาจารหลายรุ่นก็พยายามที่จะอธิบายสิ่งนี้มาแต่รูปธรรม กคือการเข้าถึงปัจจัยสังคมแม้แต่นักูชิงนักบูปินจือพยาอธิบายสื่อสารดึงหนังสือการเข้าถึงปัจจัยสังคมการนัถือพระนธรรมคือพุทธเจ้าพระธรรมพยะสงศนะปัจจุบันเราก็ยังเข้าใจไม่ถูกพุทธเจ้าเราก็ยังเข้าใจอันเป็นพระุทธรูปมองไปที่พระพุทธรูป เป็นเมื่อไรเราต้องทำควเคารพสะดุ้งนึกถึงจริงๆมันเป็นศาสนญลักเป็นญญักษณ์พระธรรมเราก็ต้องถึงพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั่นคือพระธรรมเราเข้าใจจรงกันอย่างนี้พระสงฆ์เราเข้าใจว่าลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองปฏิญาณตนนับถือพระรัตนใจแล้วก็ถือศีล แล้วเชื่อว่าเป็นพระเราเข้าใจกันมาอย่างนี้กันแล้วจริงๆมันก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถูกอะแต่ว่าส่วนน้อยน้อยมากๆวันนั้นแต่เอย่างเข้าใจอย่างนี้อยู่ผมใช้ชื่อโดยกันเข้าใจลักษณะนี่คือพุทธานตอนนั้นวันนึอยากสื่อสารให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ทำปมะสงค์ ถ้าเป็นรูปธรรมจริงๆมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะถ้าอยู่ในบ้านเราพอแม่ลูกอยากให้เอาพระราชตรัสรายมาเป็นเครื่องอุปมาอุหม์พ่อแม่ลูกนี่คือครอบครัวครอบครัวคือครอบครัวก็วคือบ้านหลังหนึ่งตึ๊งเลืเป็นจุดริ่มต้นของบ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศทวีประดับท้องโลก นี่คือความสำคัญเนาะคือจุดเริ่มต้นจะไปคิดว่าครอบครัวหรือบ้านไม่ควรมความสําคัญเพราะนั้นก็จุดเริ่มต้นถ้าครอบครัวทั่วโลกมีพ่อแม่ลูกถ้าเปรียบหนึ่งก็พ่อหรือพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้นําแม่คือพระธรรมเพราะแม่เป็นบอกเกิดทั้งหลายเลยพระธรรมก็คือธรรมชาติ พระสองคือลูกคือผลพวงระหว่าดพ่อขับแม่คือพระพุทธขับพระธรรมออกมาเป็นผสมแต่ถ้าเป็นผสมที่ดีนะต้องเป็นอริยะสงฆ์มุ่งไปฏิอริยะสงฆ์เป็นหลักที่เราเห็นันเป็นสมมุติสองแล้เวเราก็พิดหวังกับสมมุติสองอันนี้เนะปฏีข่มไปหมดล่วงไปถึงอริยะสงฆ์ด้วยนี่คือการเข้าใจผิดเพราะนั้นถ้าบ้านเราพบ อยู่อย่างนี้มันเกิดเป็นเรื่องที่ดีทีนี้เพราะเราเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่ไม่ต้องลงไม้ลงมือใดเลยสงครามโลกครั้งหนึ่งครั้งที่สองใช้เวลาพอๆกันครั้งแรกใช้เวลาห้าปีครั้งสองใช้เวลาเจ็ดปีกับพุทธเจ้าของเราทําสงครามกับตัวเองหกปีทำสงครามพิชิชนะตัวเองหกปีเดยไม่ต้องใช้อาวุธอุกปกรณ์ไดเลย คู้เร า, าอัจฉริยะไหมใครดูอัจฉริยะกว่ากันสงครามที่มมาป็นเรื่อาทหา ร, ร, หารล้างซึ่งกันและกันจงเป็นพูนพวงทุกวันนี้หลังาสงครามโลกก็มีการล่าเมืองขึ้นบ้านเร า, าอะไรแนะบบอันนสงนั้นทางซ้ายทางขวารอบๆ บ, บ้านเราก็กลมเดิมคนที่เชื่อผู้เจริญแล้วอันนี้คือเหตุการณ์ทั่วไป ฉะนั้นอยากให้ผู้เราได้ตระหนักถึงความสําคัญโดยเฉพาะคือเดือนหน้าแต่ก็เป็นหลักก็คือพระรัตนตรัยเป็นหลักถ้าเรายังไม่นึกถึงพ่อเราก็คือพระพุทธเจ้าทำไมนึกถึงแม่คือพระธรรมถ้าคนที่ไม่มีพ่อแน่เขาเรียกว่าอะไรเรี่าคนกาพร้าเราอยากเป็นคนกำพร้าเลย อ, อถ้าไม่อยากมีคนพาใครนั่งถึงพ่อแม่คือพุทธิยานแม่คือพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้ก็เหลือแต่พระสงฆ์นี่แหละคือลูกของท่านนี่พี่พยายามจะสื่อสารให้เราเขา้าใจเออพ่อเรามีคุณสมบัติอย่างนี้นะพ่อเราเป็นคนดีอย่างนี้แม่เราเป็นคนดีอย่างนี้นี่คือสิ่งที่พระสงฆ์หรือพ่อแม่คืออาจรารย์พยายามสื่อสารให้เราเข้าใจอยู่ทุกวัน พยายามจูงพยายามชาักพวกเราทุกอย่างเพื่อเป็นไปในะะทางที่ดีเพราะฉะนั้นก็เดือนหน้าเป็นกันน่าจะเป็นเรื่องที่เราเริจะนึกถึงพ่อซึ่งเป็นผู้มีพคุณของพวกเราส่วนพ่อที่ทําให้เราเกิดก็เป็นพ่อแม่ชั่วคราวในชาตินี้แล้วเราก็ไม่ได้มีพ่อแม่ชาตินี้ชาติเดียวมันอีกหลายภพหลายชาติ ที่เคยเป็นพ่อแม่กันแต่เราไม่รู้เพาั้จุดเริ่มต้นที่ผู้เจ้าสอนเรานี่นอกจากเขาองคคนพบตัวเองแล้วสอนเรื่องนี้แหละพยายามอธิบายเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องอดีตรเรงปัจจุบันเรื่องอนาคตเพราทายจนระยะเวลามาพบชาติวันเดือนกืก็มีสามวันวันที่เป็นอดีต วันที่เป็นปัจจุบันแล้วก็วันอนาคตสามวันนี้อีกสามวันกับวันต่ดปีไม่ต้องไปยึดถึอมันจำอะไรไม่ได้ถามว่าสามวันเนี่ยเราอยู่กับวันไหนมากที่สุดอยู่กับวันวานอยู่กับวันที่มันจบไปแล้วมันเสร็จไปแล้ววันวานก็คืออดีต เราฝากชีวิตความคิดคําพูดการกระทํำเอาไว้กับอดีตคือเมื่อวานซึ่งมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นไปแล้วมันดีก็ดีไปแล้วเสียก็เสียไปแล้วแต่เราก็ยังใช้บริการเขาอยู่ยังทักยังทายอม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราชอบไม่ชอบก็ตามอันนี้คือวันวาน วันพรุ่งเราก็จะเป็นห่วงวัยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเป็นหวัวคนที่ยังหวมองถึงชาติห้าเลย่งก็จะเป็นกับเข้าบ้านฟังพ่อเราพูดพ่อเราพูดเรื่องนี้อย่างไรนี่หคือกันแค่บันหองเวลาเรามีปัญหาเนะี่เรามีพ่อมีแม่ทําไมเราไม่เรีถึงพ่อถึงแม่ เหมือนครอบครัวเรานะเวลาเราเรามีปัญหาเรานั่นคือลูกๆเรามีปัญหาเราก็ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่กับพ่อตอนนี้ผมเป็นอยหนูแม่ผมตอนนี้เป็นอย่างน้ท่านก็จะให้คําตอบให้กับปรึกษาเพราะท่านผ่านโลกก็เ่อนพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าแม่ของเราคือพระธรรมเคยถามท่านไหม เราไมีปัญหาเมื่อเราไม่ถามมันก็ไม่มีคามําตอบก็แก้ปัญหาไม่ได้เรืองเดิมก็อยังเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องโลกก็ยังโลกอยู่โกรธก็โกรธ อ, อยู่หลงก็หลงอยู่อยู่อย่างี้มันจะถามว่าโลกเกิดขึ้นทำอย่างไางถามว่าเราโกรธเกิดขึ้นทำอย่างไรความหลงเกิดขึ้นทำอย่างไร แต่พ่อเราก็จะมีคําตอบให้เราแม่เราก็มีคําตอบของเราแม่ของเราคือธรรมชาติเรื่องวัสุธรรมนะสวดพ่อของเราเป็นคนที่มีปัญญาเรื่องปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณทาอะไรด้วยความจริงใจไม่คนหนึ่งทีง้าตัดแทงทุกเรื่องที่เราทําในยุคเราแม้แต่ฝ่ายพระเองการแสดงธรรมนการเทศไหม สมัยโบราณเคยกันเทศเคยใส่ั้นการบวชมีการอุปชาไหมนี่คือพ่อเราถ้าเรานึกอย่างนี้จะทาะให้ใจเราอ่อนบอกคนหน้ตาตาไหลเพรานะคุณสมบัติของพ่อนะ่ะคือพระปัญญาที่คนปัญญาของพระพุทธเจ้าของเรานะ่ะจะเอาแนวกว้างแนวลึกแนวกว้างเนี่ยอันนั้นตัดจกักรวาล ไม่มีท้่สุดจะมีประมาณสุดครอบจักรวาลคือกว้วางไกลมองเห็นกลางไกลภาษาเราเรียกสายทัศเที่ยวเราไม่ใช้ทุกวันนี้นี่คือแนวกว้างแนวลึกลึกกว่าพวกเราที่มองเต็นแผ่ดินน้ำลมไฟอากาศทะเลอแต่พระองค์ไปกว่านั้นย้อนหลังไปกว่านั้นแนวตั้งที่ว่นแนวสูงนี่ ก็ยิ่งกับผู้เรานั่นคือพระปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่คุณบริสุทธิี่คุณพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกถึงพระพุทธเจ้าให้นึกถึงสามอย่างไม่างนรกคือพุทธรูปไมย่ย่ะงน้ึกถึงประเภทอื่นอันนี้คืออันนีคือพ่อเราแม่เราแม่เราต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือพ่อของเรานะ คุณสมบัติของแม่ของมวกเธอเลยนะหนึ่งธรรมชาติให้นึกถึงแม่นึกถึงธรรมชาติธรรมชาติเ้าเป็นอย่างไรค่อยนึกถึงความปกติของเขาคือธรรมดาธรรมดาเสร็จแล้วก็ธรมชาตรคือธรรมนิยามที่เราสู้สวดกันธรรมะนยามคือข้อกําหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนคือกฎกติกา เขามีกฎกติกาชัดเจมที่ทั่วโลกทั่วประเทศพยายามมีกฎกติกาเพื่อเอาคนของตัวเองอยู่แต่กฎอันนี้เป็นกฎของโลกใครจะเชื่อไม่เชื่อศาสนาใดก็ตามมันเป็นกฎธรรมชาติโดกธรรมไม่ยอมเช่นกฎของตลากฎขนสัรงมันไม่ดีหรสร้าง ก็ได้คือข้อที่สามข้อที่สก็คือพยายามที่จะรวบรวมเอาพุทธธรรมคือคําสอนที่พระเจ้าพูด ถ, ถึงเวลาสถานที่บุคคลนี่คือสิ่งที่อ้างอิงเวลาพระอานุมจะพูดถึงอย่างที่พะพระอนุมก็จะบอกอย่างนี้คือเวลาสถานที่บุคคลผู้เราเออกมาใช้เป็นธรรมะให้เกิดปัญญาได้เวลา เช่นธรรมจากเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้ข้าพเจ้าในจิตินพระอนุมเป็นประศสตสตะก็ได้ยินในฝั่งมาเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ยินมาเอกันสามังสมัยหนึ่งนั่นคือเวลาระบบเวลาเอกังสนุพระขวาพระโพธิวาคบุคคลวิหารติประทับอยู่ที่เราจะบอกป็นสถานที่ ก็เกี่ยวข้องกับใครอันนี้คือจะมีเรื่องอย่างนี้ท้านั้นถ้าเราเอาอันนี้เป็นถ้าเรานื้ถึงพ่อเราเอาตรงนีเ้เวลาเวลานี้ขณะ น, น, น, นี้เกี่ยวนี้ปัจจุบันนี้เราใช้เวลาไปกับอะไรมากที่สุดไม่มีใครตอบเราได้ถ้าเกิดตัวเรา พิจารณาอย่างนี้เวลานั่งเวลาปฏิบัติมันจะเป็นปัญญาบางงั้นก็เอาใจสัญญาเราก็ได้ใจสัญญาคือจำคือแก้ปัญหาเลยไม่ได้เขาใช้ซีืีจำเอาตรนนั้นไม่เกิดปัญญาเราดูเวลานี่เราทำอะไรเรามีเวลาบนโลกใบบนี้เท่าไหร่เอาแค่เวลาเป็นตัวตังค์าแค่ร้อยปีเป็นเกณฑ์ คือ75ปี75ปีเพราะว่า100ปีเนี่ยท่านก็จะลบออก1วัน1วัน1วันใน100่งรปีเป็นเกณฑ์ก็เหลือแค่75ก็25ทำไมถึงกว่า2 5ตอนนี้ศตวรรษที่อยู่2500กว่าปี100ปีก็เอาออกวันหนึ่งวันนั้นก็เหลือแค่75อายุคนโดยประมาณว่าผู้หญิงผู้ชาย เพระนัยเลยเจ็ดสิบห้าไปถือว่ากําไรแล้วช่วงนี้เวลาที่เรามีอยู่นี่ก็เอาเวลาไปทําอะไรสถานที่สถานที่ที่เป็นมงคลสถานที่ที่เราจะเกิดสติปัญญาเกิดสมาธิสติปัญญาเนี่ยนะมันนี่ไม่กี่ที่นะที่เป็นมงคลที่รวมกันอยู่เหมือนมั น, นี้บุคคล น, นี่เป็นรูปธรรม น, นะ บุคคลที่จะเข้าถึงเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปก็จะน้อยลงต้องอย่ลืมคือเพราะไม่ครูอาจารย์คนที่เป็นที่เพิ่งเป็นหลักจริงๆจะพูดแล้วเป็นอัดเป็นธรรมเป็นหลักที่เพิ่งอางจารย์ะมันจะเริ่มมีน้อยลงน้อยลงสมมติเรายังไม่หมดไปผลเกิดมาอีกคือเราจะเจอกับอะไร นี่คือบูชาตุนปิติมาก่ออย่าประมาทในวัยในชีวิตเกิดอีที่อาจจะไม่ใช่อยู่ที่นี่ก็ไ ด, ได้เกิดอีที่อาจจะไม่เป็นคนก็ได้นะเกิดอีที่อาจจะไม่ไอยู่เมืองไทยนะคือโอ้ใหญ่ๆครับว่าอย่าประมาทพละมือผู้เขาไม่ประมาทคืออย่างเงี้ยคือจะเป็นที่ตังต่างของเร า, าโอ้อย่าประมา พนันประมวลลงว่าความประมาทของเราคือคนที่มีศินคนที่มีสินสมบูรณ์คนที่มีสติสามัญญาสมบูรณ์คนที่มีศินได้สติสามัญญาหนึมีประเภทเดียวคือพระอรหันต์ดาวนั่งก็ลดหลันกันลงไปเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถือว่ามีบ้างไม่บ้างก็จะดีแต่ต้องมีไม่มีไม่ได้เหมือนสตังค์เขาจะบอกเราไม่มีสตางค์ไม่ใช่ มีทุกคนไม่มีใครไม่มีสตางค์แต่ว่าจะมีมากหรือน้อยถ้าคนมีมากก็อานุเความห์ดโดปัจจัยสี่ได้ดีกว่าคนอื่นเขาถ้าคนมีน้อยก็ให้ความดกับปัจจัยสี่คือเอาสตางค์นั่เป็นแรกไปแปลสภาพเป็นปัจจัยสีแค่นั้นเองที่ทำมาหากินทุกวันไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนถ้ามาก็หาอะไรก็แล้วแต่นี่คือวัตถุประสงเราจะไปหลงของคนนี้จนลืมเขาหลงเปที่วางความลืมสุดท้ายมันก็ได้แค่โลกโล ก, กะโลกหมดโลกแล้วก็หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยตูปุเตสท่านบกสิ้นโลกเหลือธรรมมันจะเหลือพายธรรมคือพายสติ ฝ่ายธรรมเขาบ่งปฏิสติฝ่ายโลกเขาบ่งปฏิสตังมีเยอะเท่าไรยิ่งดีใ น, น, นโลกนะั้นแล้วก็สรรเสริญเยียวยากันไปลอยล้านพันล้านแสนล้านไม่แต่งกนะันนะมันอยู่ที่มากหรือน้อยแค่นั้นเองร่างทุกคนอยากไปคิดตัวเองไม่มีสตังหนึแต่ถ้าจะคิดบอกว่าสตังเรามีน้อยทำไงสตังตีอย่าเพิ่ม เหมือนกับสติทุกคนมีสติไม่ใคยมีสติแต่สติที่มีอยู่มันลนอยมันทำอะไรไม่ได้ไม่เงินบาทเดียวคือสตางทำอะไรได้บ้างกับมันหนึ่งร้อยบาทเป็นรอยเท่ายิ่งกว่าร้อยอีกเขาก็ทำอะไรได้เยอะคือความหมายสติก็เหมือนกัน ที่เราทำที่เราปฏิบัติอยู่มันมีน้อยแต่สติเนี่ยมันต้องตามด้วยปัญญาสติต้องจบที่ปัญญาเสมอถ้าปัญญามาเกิดแล้วสัญญาที่เรามีหมดทั้งหมดทั้งวงเรียกพรรษาไม่เป็นภูมินะไม่ต้องเป็นห่วงดังนั้นเ่ให้เกิดสติปัญญามากคือมีสติอย่าลืมว่าสองคำเนี่ยต้องหานะในขณะที่เรามีอยู่ สตังกับสติเนะี่ต้องขยันหากันสตังหากันจนตายหลดตายไปข้างหนึ่งสุดท้ายที่หามาไปกนกองประเดินเตือนึกเป็นของใครสตังไปหามาชั้คือเป็นของใครมันชแชล้วได้บ้างเมื่อกี้เราพูดถึงวันจะเพิหมดลมหายใจเครื่อง น, นี้มีควาหมายเนาะ พอหมดลราหายใจเมือ่อไหร่แบดทุกอย่าง่เด่นดน้าไปโนที่นี่อยู่ข้างหน้านี่มันพึ่งพาอะไรๆไม่ได้เลยพุทธิจาติทําให้พวกเราดูแล้วตั้งแต่ต้นสช้เวลาหกปีทดสอบทุกดองเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วพอเราทําทุกอย่างให้เราดูแล้วอันนี้พ่อกระทาแล้วทรมานทรกรรมรักขึความเชื่อทั้งหลายเหลนะ่านะี้แสดงว่าแม้ได้ฌานสมาบัติทึ้งได้ตั้งแต่เป็นเด็ก ครูปปัจจานรกับรูปประชานทรได้ตั้งแต่เป็นเด็กทั้งกระทำให้ดูว่ามันไม่ใช่ที่สุดในขณะเดียวกันแม้ก่อนที่จะบระิมิพานเขาพยายามที่จะทําแล้วก็แสดงให้ดูโดยดผ่านพระอนุรุตตะว่าก่อนที่จะบริมิพานท่านาก็เข้าชา้นทีหนึ่งชา้นสองชนสี่ ม, มีรูปประชานทรอรูปประชานทร์ เรียว่าสมาบัติแถ้ายังติดรูปฌานอารูปฌานอยู่มันก็อย่างมากที่สุดกับปฏิจจพรมกับโชคดีหน่อยชั้นพรมคือเขาไม่มีคำว่ากรรมเขามายุ่งเกี่ยวของเขาไม่มีกรรมอารมณ์ไม่ใช่กามอารมณ์แล้วก็ไม่มีเพศของโชคดีมันอตรงนั้นของพรมเนาะที่พรมมาจาโลกางี่นะเราเดินลอนถึงพรมที่เราพรมอาจนรเพราะนั้นสิ้นเป็นใช้คำ ว, ว่าอภรมรมจะริยาง ไม่ใช่คำว่ากลางเสุศิลินาจารย์กางเลยศมิลินอาจารย์คื อ, อยังบริโภคกลามใช้กางอยู่นะคะว่ากลามท่เนี้ยเป็นตัวที่ก่อก่ออะไรก่อพบกาะที่เป็นชาติหรือชาติชาติสองก่อนที่จะเกิดมาจากพบพบก็คือกางมาภพรูปภพอาพลุบภพนี่คือที่มาของพวกเราทุกคน เป็นต้นตอ่ขอขังการมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะี่คือพบทั้งสามเรื่องเนี่ยพนันยกยุคใต้ภูมิพลร่วงท่ง า, า น, าา น, ก, นาก็อธิบายเรื่องนี้แหละขยสวรรค์มีกี่กั้นแค่ไหนทำยังไงที่หนังสือใต้ภูมิพลร่วงใครเคยอ่านมั้ยก็อธิบายเรื่องนี้แหละคือการประพรูปรภรุประพประพธัสสรุปง่ายๆสั้นๆซึ่งเป็นที่มาของการเวิญว่ายไปว่สังสาราวัตพอมีพบ พบเกิดจากอะไรก็รเกิดจากกลามเพราะยังบริวพวกกลามอยู่กลามคืออะไรรูปเสียงจินตพุทธะใจเรายังคล้องเสิยงเหล่านี้อยู่ยังพึ่งพาเสียงเหล่านี้อยู่เบื่อง่ายคือเอาเสียงเหล่านี้เป็นใหญ่ในสิ่เมื่อมีกลาง ม, มันก็มีเกิดเกิดคืออะไคือชาตะคือเกิดอันเดียวครั้งมันก็มาเกิด มาเกิดและต้องตานก็กินเท่านี้เขามองปฏิจิตรี่หลักกินแต่้งที่เกิดจนตายสองมื้อสามมือ 3, มือม้อเดียวผู้ที่แช่กออกพยายนทําให้ดูมื้อเดียวก็พอสําหรับนักบวชอยู่ต้งองเรื่องกินนะพระพุทธเจ้ า, าของเราส อ, สอนสอนทุกอย่างไม่มีอะไรที่มาสอนสอ น, สอนตั้งที่เกิดจนตาย ม, มีใครสอนมัน่ง สอนเรื่องกินก่อนจะกินทํำยังไงคิดอยังไงก่อที่จะกินเหมือนตอนเนี้เราเราคิดอย่าเดียวว่าอร่อยไม่อร่อยวางหมไปเล่นเสร็จว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบเราก็อยู่กันแค่นั้อยู่กับของที่เราชอบกับอยู่ที่ของเราไม่ชอบเราไม่เคยคิดว่าอยู่กับสิ่งที่เราชอบควรทําอย่างไร อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเนะี่ยเราควรจะทำตัวอย่างไรเพราะมีแค่นี้ก่อนที่อุเบกขาคือวางคือวางสิ่งเหล่านี้เพราะสุดท้ายคือผู้เจ้าสอนคือวางแม้แต่รูปปา้นรูปปชานที่ดังกล่าวข้า ง, งต้นพระองค์เข้าเสร็จก็ฌานที่หนึ่งสอสามีรูปเาจะสุดท้ายท่านก็วางฌางนทั้งหมดมันถึงได้ไปไกลกว่านั้นได้ วันสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราวางไม่ได้คือวางใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เราจะไม่ไปไหนเราติดเราข้องอยู่กับอะไรเราก็จะอยู่กับสิ่งนั้นต้องระวางังจิตสุดท้ายที่เราเกี่ยวข้องกับอะไรมันจะเป็นเช่นนั้นภพภูมภูมิคือชั้นของจิตชั้นคือสติปัญญายความฉลาดนี่แหละ ถ้าคนที่ฉลาดเขาจะทำอีกแบบหนึง่งคนที่ฉลาดน้อยเขาก็จะทำอีกแบบหนึง่งถ้าจิตของเราไม่ฉลาดเลยฉลาดคือกุศลถ้าจิตเราไม่เป็นกุศลคือไม่ฉลาดพูดง่ายๆอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะบอกว่าโง่มันก็จะเกินไปเอาเป็นว่าเพื่อใมบอกภาพแจ้เจนะิะเราอยู่กับคนโง่เนี่ยพัฒนาตัวเองได้ไหม ศาสนาปฏิชาไดไ้นี่ชุดคองสําคัญวะ่ะทําไมเราจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดปัญญามันได้ไม่เกิดสัญญาสัญญานี้เยอะแล้วคนเผาทิ้งได้แล้วสัญญานะจํามาเยอะมัรู้จําอะไรกันบ้างจาจุดตัวเองจําไม่ได้แต่เทนี่เนี่ยคืออีร์บวรโมันี่คื อ, อ, อ, คอจําอดีต เยอะกว่เพื่อนเลยแล้วก็ไปอยู่กับปฏิทินนั้นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเราวางมันไม่ได้แล้วมันก็กลับมาพวกมาทําร้ายตัวเองสิ่งที่เราจำนั่นแหละมาทำร้ายตัวเองทีนี้ถามว่าพ่อเราสอนเรื่องอะไรกับบ้านที่พ่อเหรพ่อเราสอนว่ายอย่างไรพ่อเราสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบัน โยคะปัจจุบันปัจจุบันคือวันนี้เดี๋ยวนี้เวลาเนี้ขณะ น, านี้จิตของเราเป็นอย่างไรมันสุขมันทุกข์ที่มันสุขเพราะอะไรที่มันทุกข์เพราะอะไรจริงๆแล้วจิตเรือใจมันไม่ได้มีความสุขความทุกข์เลยมันอยู่เฉยๆของมันเหมือนศาลาหลังนี้ถ้าเราเข้ามาเข้าไปนั่งก็ไม่มีใครเราเข้ามานั่งหลากหลาย เ ว, ว่าหลากหลายเสื้อผ้าอาปอนเราเข้ามาอยู่ในนี้นี่คือลักษณะของจิตจิตถ้ามันว่างถ้ามันไม้มีเข้าไปอยู่ในจิตคือกิเลสนั่นแหละปักเขาก็อยู่กับเขาได้ปกติแต่ถ้านเนี่ยมาเยอะๆเอะอะจัดเยียดเดือดร้อนอันนี้คือสภาพเพราะว่าสิ่งทั้งหลายแหลม่มาอยู่ในจิตของเราและเราไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้สานไม่เคยถามเขาเลย คือเข้ามาแล้วหนักคณนะคือไม่ออกไปมืนเข้าไม่สลาหลังเข้ามาเสร็จคนก็นั่งเฉยโอสบายพัดลมเย็นสบายเดี๋ยวก็มีเข้าปลาอาหารกินไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมแตภาวาะเจ็บมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วไม่ภาวนาะเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไหมอ่าเป็นีิเชื่อพอหรือยังเชื่อพอต้องพังพอ พ่อสอนอะไรต้องบอกเชื่อแม่หรื อ, อยังตอนนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมดาแม่ก็บอกหรอมันเป็นธรมธรมดาธรรมดาคือปกติไม่ได้ผิดปกติใดๆเลยมันเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยบอกว่าแม่เราก็บอกโอ้ไปธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันมีมาเป็นร้อยวันปีๆก็กลับเป็นกันแล้วโด้วยควาธรรมะดาวถ้าใครคิดได้ในนี้นย น, นั่นแหะเขาเรียกคนมีธรรมะ ต้องระวังคนมีธรรมะกับคนรู้ธรรมะมันคนละเรื่องกันนะเดียวนี้คนรู้ธรรมะเยอะลูกเล็กเด็กแดงสามสี่จ็ดแปดภาษาเป็นแก่ขันกันทุกวันทุกเวืองะไรเนี้ยแค่คนรู้ธรรมะเนาะแต่คนมีธรรมะเอาน้อยเหมือนคนมีสตังค์สตังค์มีหมดอนะแต่คนที่มีสตังค์คือคนรวยจริงจริงมันไม่ได้เยอะเนาะ เหมือนกันคนมีธรรมะรบางคนรู้จักธรรมะเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะ ส, สู้คนรู้จักธรรมะไม่ได้กนจะวิ่งกันไปหากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะแต่ตัวตัวพวกโสดเชียวตัวดีในคนมีธรรมะแต่คนคนที่มีธรรมะเนี่ยกาพูดอะไรเปอัดไปทำเป็นน่าเชื่อถือคนมีธรรมะต้องคนที่เรียบง่ายเหมือนพ่อเรา ถ้าใครมีสม บ, บัติเหมือนพ่อเราคนนั้นก็คือคนดีธรรมะดูง้ายไม่ได้ดูายากคนที่เข้าใจธรรมชาติจริงก็คือคนนั้นคือคุณสม บ, บัติของแม่เราอยู่กับธรรมชาติได้ธรรชาติเองไม่ได้คนอื่นเพราะฉะนั้นลกูกลูกของท่านทั้งวันนั้ถ้าเราจะดูก็ดูคุณสม บ, บัติอย่างนีน้มีสม บ, บัติคุณสม บ, บัติของพ่อไหม มีคุณสมบัติของแม่นะพูดง่ายคือทักษาเราได้อะไรจากพ่อแม่มาบ้างเหมือนพวกเราเนี่ยถ้าเป็นง่ายๆดีได้ดีอะไรจากพ่อแม่มาบ้างไม่ได้ะเลยเนี่โอ้ทาตัวทําตัวหมายนําถึงความคิดคําพูดการกระทําไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยเนี่ย เป็นลูกในละคุณเนาะเป็นลูกอากตันอยู่วอันนี้คือสาระธรรมสำหรับฝากเราเพื่อเป็นกติเป็นก็คิดโอปะนักยูกูน้อมก็หาตัวเองอันนี้คือความจริงคือใครปฏิเสธเขาก็เป็นอยู่เขาอย่างนี้นะส่วนพ่อแม่ของเรานะ่คุณสมบัติของท่านก็จะตายตัวอย่างนี้รักพ่อรักแม่เยอะ เราก็แม่โดยสมมติพ่อแม่โดยสมมตุติคือชาตินี้ก็ขอให้รังท่านอยอะๆเพราะว่าเราไม่มีท้านแล้วก็ท่านก็อยู่กับเราก็ชาตินี้เราก็อยู่กับท่านก็ชาตินี้ชาติต่อไปไม่แน่ใจถ้าบุไม่สัสดิ์กันเสร็จไม่สวัสด์กันการปฏิบัติไม่สุขกันก็ไปคนละทิศคนละทางวันนั้วันนี้เรามาเจอกันในวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีคือเจอแล้ว ได้สินได้ฟังและอย่าลืมโอ้นักยโกคือน้อมแค่กันนี้กันเดียวถ้าเราเอาไปแยกละเอียดได้สติได้ปัญญาเกิดขึ้นสมาธิเป็นพึ่งอาอาศัยได้เข้าใจวันสามวันวันอดีตวันอนาคตวันปัจจุบันพระพุทธเจ้าถือให้อยู่กับเราปัจจุบันจริงจะเรียกว่าปิดอดีตกั้นอนาคตกำหนดปัจจุบัน คือคนสุขก็ให้รู้ว่าสุขทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์แล้วก็วางประเด็นคือวางก็จะให้รู้เฉยถ้ารู้กายมันก็ติดติดสุขติดทุกข์เพราะวางไม่ได้แล้วเราก็ไม่เคยทําอย่างนี้ถ้าว่าทำเนี่ยไม่เคยคิดอยู่ในแนวความคิอย่างนี้ไปผสมมาก็ชอบทุมาก็ารังเกียจก็เป็นอย่างนี้แต่นี้ไปเราต้องฟังพ่อเยอะๆไม่่ฟังธรรมดาฟังพ่ะเยอะๆ นี่เป็นวันสําคัญวันหนึ่งคือพวกเราจะได้นึกถึงบรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปุ ญ, ญ่าตายหญ่จะได้มาติกาบางสุคุลพวกเราติดถึงบรรพบุรุษในชาติในพบนี้ส่วนพบนาเว่ากันไปอันนี้คือสารธราารมสำหรับพวกเราชาววันนี้ก็ที่คือมาติการบางสุขขกุลแล้วก็รดน้ดําดาวหัวเพื่อเปลนแสงแล้วถึงวุี่ตา ขอขอมโนธนาความดีของเราทุกคนที่มาร่วมกันกระทําบำเพงในวัน น, น, นี้ขอความดีที่พวเราทําันนี้ทั้งหมดจะเป็นพลวะปัจจัยถึงแก่ บ, นบรนทบุตรของพวกเราทุกผู้ทุกนามอันไะแก่พ่อแม่ปู่ย่าป้ายายผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทําบําเพงในวันนี้ ก็ขออนุญาตนะ